จะพูดถังเรื่องเบื้องต้นก่อนที่จะทำคุณงามความดีทุกอย่างออกไปจากทางเบื้องต้นนี้เลยก่อนคือตัวจิตก็เป็นต้นเขาของทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำดีทำดีได้ก็มีจิต ก่อนจะเก็ทากายกับจิตเป็นของสำคัญที่สุดเราทำอะไรทั้งหมดที่จะทำดีทดันดีก็เอาที่กายที่จิตนี่แหละเบื้องต้นจะทำยังไงเมื่อกายมีกายกับจิตแล้วเราทำในทางพุทธศาสนา เราต้องฝึกหัดตัวของเราในทางที่ชอบในทางที่ดีที่ชอบตั้งต้ น, น้มเนจะกราบเป็นเบื้องต้นนะเขาหาพระต้องกราบไปก่อนให้พระสมเอญเขาต้องกราบไปก่อนออน่าเป็นเบื้องต้นในการทําดี สาธิพภาวนาเข้าหาพระองค์เบืต้นติดแท่นั้นต้อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องกราบไปก่อนของตื้นๆนี่แหละไม่ต้องเอาอื่นไกลแล้วกราบมันถูกหรือยังแล้วกราบต้องกราบอะไรความประสมค์เรกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์ แต่จิตเรานั้นตั้งแใจกราบจริงจริงไหมคือเพียงหลอกลวงเฉยๆลอกเขาเข้าใจว่าเรากล่าบไปเฉยกานหลอกลวงคนอื่นเท่ากับาหลอกลวงตัวเองคือเรากราบเราตั้งใจจะกลาวคุณพระธารมประสงค์แต่เราไม่นึกถึงมันเป็นการหลอกลวงตัวเอง เมืเราลงเองนะครันี่ก็เป็นการหลอกลวงคนอื่นอีเหมือนกันคนอื่นเห็นก็เรียกว่าก็าเข้าใจว่าเรากราบแต่แท้จริงจิตใจเราไม่กราบพระพุทธธรรมประสง์นี่แหละการเรือตน้นที่จะทำคุณงามคนดีบางคนกราบถามผล ตาเนเดี๋ยวไปโน่นว่าวกโน่นนี่แรงจัดในจุดช่องเฉพาะคุณคุณก็ณรถรมประสงค์กระหักสามผลแน่วกว่แล้วกราบหผลแน่กว่าแล้วกราบเก่าผลแนกว่าแล้ ว, ล ว, ลวท่านให้กราบสามผล น, นั้น เพื่อจะลึกถึงคุณพูดธรรมเป็นต้นขันยังไม่ทันลึกถึงเอาอีกหกหนขันยังไม่ทันลึกถึงอีกเอาถึงเก้าหนอีกเก้หาหนได้ก็เอาละปานนะ่ะถึงไม่ถึงก็เอาเถอะมุดหลับห่างหากว่าจิตเราแน่วแน่แล้วไม่ต้องกลรา ตั้งใจ ล, ลึกถึงคุณพุทธประทัพระสงฆ์เมืม่อเป็นอนววาถึงแล้วนะอันนี้ท่านให้กราบเพื่อให้พร้อมด้วยกายว่าจะใจถ้าไม่กราบไม่พร้อมเด็ดทั้งทวาทั้งสามเมื่อกราบถึงพระพุทธประทัมพระสงฆ์แล้วันจะทํายังไงอีกต่อไปนะ ล, ลึกถึงคุณคุณพุทธเจ้าพระมประสงค์แล้วตั้งมัน่นเลยพระพุทธมประสง์แน่แน่เลยคุณของท่านอย่างเราเราลึกถึงคุณบิดามารดาทำการงานในแดนกวงหงมดทุกสิ่งทุกอย่างหรือเดินยืนเดินนั่งนอนทุกอิิยาบท เราดึกดึงคุณของพิรามดายูตลอดพิรามเราแน่เรียกว่าเขาลบนับถือท่านถ้าหากว่าคิดถึงหมู่ถึงเพื่อนคิดถึงลูกถึงหลานนันดึกามลัก จะยืนนเดินตั้งนอนก็ลึกถึงดูอย่างนั้นเป็นทิศจิตใจน้นอมแนวถึงคนนั่นอยู่เสมอคนนั้นเรียกว่าลึกถึงด้วยความรักด้วยความคิดถึงความเงินข้ามมันโค้งเกลียดความช่างาราคา ความเกลียด ค, คเปียดคนช้ชงนั้นเหมือนกันกับขวบลกนลึกถึงอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่เป็นอารมณ์เป็นคำวิกรรมเท่ากันกับความดีความดีนั่นสแสดงความดีคือการกราบทันเมื่อถึงแล้วก็ พวามโดยวกายวาจาใจเราลึกถึงแล้วเป็นนั้นว่ายืนเดินนั่งนอนตลอดเวลาคุณสมกับว่าที่พึ่งอืนไม่มีอันนั้นเป็นที่พึ่งแท้นอกจากคุณพระพุทธระสงค์แล้นไม่มีที่พึ่งความระลึกถึงนั้น ย่อมเป็นปัจจัยให้เราปราศจากอุปธวาทั้งสองหมดมีอำนาจอยู่ด้วยถ้าลึกถึงจริงจังไม่ ล, ลึกถึงเปยนครั้งเป็นคราวเมื่อมีภัยอันตรายก็จะลึกขึ้นก็ยังนี้ มันถึงจริงจริงอาจารย์ก็ยังดีแต่ว่าใครนนั้นจึงในพวงมดไม่ใช่ว่าจะปึงของป้องกันได้ตลอดเวลาในเมื่อมีเหตุปัจจัยเบื้องต้นคือกรรมย่อมทำมีเราได้ทำมาแต่ก่อน ยังไงก็ต้องเป็นไปตามกรรมเช่นความเจ็บเช่นความตายลึกถึงเจะลึกท่าไรก็ลึกถึงต้องเจ็บดีๆต้องตายดีๆต้องป่วยต้องตายดีๆแต่ที่ป้องกันได้คือเราลึกถึกขุณพูดกระทำสุขมนต์เราป้องกันได้เพราะ ความเจ็บความตายมันไม่เกี่ยวข้องจิตพ้นใช้จากความเจ็บความตายคยลลือความมายึดิแล้วเลือดกับคุณพล้วที่เจ้าเป็นที่พึ่งอย่างนี้เนี่ยมันไม่เลือดมันไ ม, ม, นไม่มันไม่คิดถึงความเจ็บความตายถึงมื่ตายก็ตายไปถึงมาาื่มเจ็บก็เจ็บไ ป, ไปนั่นเราเลือดถึงแท้ เรเลืกถึงพระพุดประธานพระสงป้องกันภัยได้จิตหนึ่งถ้ามีภัยเมื่อไเวรและภัยทั้งหลายมันเกิดขึ้นแต่กายถ้ามันมีกายเราทำอะไรไม่ถูกหรอกจิตของเราเขาจะทำถูกเขาจะฆ่าจะแกล้งก็ไม่ถูกเขาจะทับ จะบันจะถอน้นั้นเราไม่ถูกเราตั้งใจถึงคุณพระคุณปามพระสง์แนวแ น, วนวี้เต็มทีนั่นอ่ะคนจากาจใครยแทนการระลึกถึงคุณพระคุ ณ, คณประธาพระสงฆ์จึงว่าเป็นประโยชน์มากดีกว่าลึกถึงคทมชั่วแล้วจะ ล, ลึกถึง ลูกทั้งหลานทั้งเพื่อนทั้งมิตรลึกถึงมิตรไอ้ทงลึกถึงสิ่งที่มันไม่ดีมันลึกถึงความโกรธมีตเศร้าใจมันลึกถึงความรักคนรักคนชอบก็มีเศร้าใจลึกถึงคุณพูทธประสมเบิกบาน นำมาเพื่อความสุขสบายป้ อ, องกันภัยได้ทั้งโลกนี้และโลกหนาทะลึกก่งจริงทั้งหลายที่ยังเป็นภัยที่มันที่ว่ามานันทางไม่ดีเป็นภัยแล้วตลอดเวลานอนก็สะดุ้ง พ่อรั่วไผ่พอมีแต่ไผ่พ่อมีแต่เวนพ่อเป็นไปเป็นคนเศร้าหมองในคลองใสมันมันดีอย่างนี้เราลึกถึงคุณในุนประธานประจบเหตุการณจริงว่าเบื้องต้นที่ทำนะ่ะที่จะทำดีนะต้องหนาเราลึกถึงให้มันถึงจริงจริงาะจั ง, จงถึงใจจริงๆ ขั้นถึงใจแล้วเห็นใจได้ทันี้รู้จักใจตนเองนี่ทราบถึงถึงใจทีเดียวแล้วหรือไม่ทราบถึงถึงใจก็เอาที่จิตก็เอาถึงจิตผู้คิดผู้นึกเรเรียกว่าจิตเราลึกถึงคุณพระพุทธประานพระสงฆ์เรียกว่าจิาต เราเนืกคิดอยู่ตลอดเวลาไปมาที color. ่ไหนก็ลึกอยู่ตลอดเวลาเห็นจิตของตนแล้วนะเมื่อเราลึกถึงอยู่อย่างนั้นมันมีเวลาหนึ่งซึ่งจะเมื่อเราจับนั่นใดแต่มันมีเวลาหนึ่งซึ่งจะรวมมาเป็นใจ นันเห็นใจยก้เห้นจิตเจ้าของลึกอยู่อย่างนั้นเป็นนิดพิจารณาอยู่นะฮะเป็นนิดมันเป็นอารมณ์มัเดียวน่ะเรียกว่าอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวนั้นใจไม่มีสองไม่มีสองอารมณ์แล้วมันก็ลงทันทีนั่ก็ลงเป็นาวามันก็ลงรวมเป็นปัปปนาสมาธินั่นแหละ เนี่ยปวดใจนั่นเดีวเข้าถึงใจกนะเราปฏิบัติดีต้องปฏิบัติอยู่อย่างนี้เรากราบไปก่อนในเบื้องต้นท่านี้ท่ามคำันถูกไหมถูกในเบื้องต้นไหมนีถูกมดทางกลางที่สุดถูกหมดถูกคุณพระพุทธธรรมประสงค์มด ท่ามกลางคืออะไรแล้วการบนต้นมันถูกางานนท่ามกลางก็จิตแน่วแน่ตั้งมั่นจะพาอนาโรมาเดีย ว, ยวที่สุดคืออะไรก็คือรวมเป็นอัปปนาสมาธิเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดถูกหมด ถ้ามันไม่ถูกอย่างลายฟังมาบนตน้นราบตาเขาบอกแวกไปน่นนี่จิตก็ไม่เที่ยงมันไม่ตั้งมันอยู่อันเดียวเลยไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถึงคุณคุณก็ทําประสงเมื่อไม่ถึงก็ไม่เห็นจิตตนเอง เมื่อไม่เห็นจิตมันก็ไม่เปลี่ยนอัปปนาสมาธิกันคิดจะมันผิดใัเบื้องต้นตลอดมดขอให้ผ่ากันตั้งใจทำจริงๆดังอธิบายมานนี่แหละตั้งแต่เบื้องต้นขอให้มันถูกใัเบื้องต้น ถ้ามผิดแล้วก็ผิดแต่บางต้นกับผิดัต่หมดถ้ามัถูกแต่บางต้นก็ถูกทั้งห ม, มดสิ้นสมาธิปัญญาไม่ต้องกล่าวมารวมกันในที่เดียวกันทางธรม ถ, ถูกต้องแต่บางต้นเะนี่ยมารวมไปที่ไหนรวมไปทนะี่นั่นเนี่ยเรื่องคุยจ ะ, ะคุยภาษาผสมอ่ะเนี่ย เราคิดถึงเราเรารักษาศีลเราก็ต้องปฏิบัติแต่จบางต้นนี่แหละศีลที่พระพุทธเจ้าสอนบัญญัดไว้ศีลหา้าศีลแปดศีลสิบอะไรต่อพระพุทธเจ้ามันญัิไว้แล้เราเ ล, ลือกถึงคุณพระคุณประทับอันแล้วเลือกถึงคุณพระพุทธเจ้า แล้วเราก็รักษาสินสินทั้เป็นของมรดุดด้วยเมื่อรักษาสินเช่นนั้นเมื่อถึงคุณของท่านแล้วสินของท่านกับบริสุทธิ์ด้วยเมื่อเรามามารักษาใครจะไปกล้าทําทําผิดต้องสินแล้วคุณไดเจ้าใครจะไปกล้าผิดเดมื่อสินแน่วแน่เต็มที่สมาธิมันจะอยู่ในนั้นเ้ง จิตแน่วแน่ลงไปเป็นอนุสติเป็นชีลาอนุสติเลยเกิดเป็นสมาธิในตัวตัวปัญญานั่นอะไรเกิดจันรความเข้าใจในสิ่ความเข้าใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความเข้าใจในสิตปัญญาตอนนี้ซุก่อน ต้องเอาปัญญาละเอียดหรอกปัญญาที่ละเอียดท่านเหปัญญาเกิดจากปัญญาปัจจาระ น, นั่นละว้ต่างหากขอ ง, ของเกิดเองไปเองหรอกด้เห็นไหมเห็นใรละมันไม่ได้เป็นเรื่อยไม่ได้เป็นหยุดบ่อยๆ อ, อันนี้เป็น ทุกคณะเลยถ้าเรากล่าวถึงเราพูดรประทังประสงค์เชินสมาธิปัญญาตอนนี้อชินสมาธิตอนนี้ต้องเป็นเป็นบ่อยๆเลยเดี๋ยวเหตุนั้นเนี่ยว่าเราทําถูกแล้วนั้นไม่มีสงสัยถูกตั้องต้นนะตลอดมดไม่มีสงสัยที่สงสัยลังเลอยู่นั้นเพราะไม่ถูกต้น จับโน่นว่ายนี่สารพัดทุกอย่างอันใดทำไมอันถูกไม่ถูกสักอย่างอันไดก็ผิดหมดพูดก็ผิดทำผสกวก็ผิดเอามาก็มา่านอันใดก็ไม่ถูกนั่นแหะมันลังเลแล้วนะคันถ้าจับถูกแล้วไม่ลังเลแร้วไม่มีความสงสัยเฮย กานที่เราภาวนาไม่เป็นที่เราถือศาสนาถือถือศาสนาไม่แน่นแฟนถือศาสนาไม่กลงไปกงมมามันเป็นอย่างนี้เหลอเห็นนั้นให้พากนพิจารณามันถูกตั้งใจเอาใหม่เจ้ทันยั้งว่าทันแน่วแน่ท่านไม่แน่นแฟนก่อน ตั้งใจเอาไปนะตั้งตจวันนี้จะไปจนเห็นคุณพุะประธานพระสงค์ชัดขึ้นมานั่นแหะนั่นแหะมันจะเป็นเองจับเอาใจให้มันได้จับเอาจิตเสียก่อนนะพราะจับเอาใจมนะัน จะค่อยมันจะค่ถูกจิตมันอยู่อยู่ปากทางเนี่ยคือมันคิดมันนึกนี่แหละอันนั้นเรียกว่าจิตจับจิตเห็นจิตแล้วนี่มันจะรวมไปเป็นใจเองมันเอนใจนั้นไม่ต้องหามันทังเห็นเองของมันจับตัวจิตนี่แหะ ทำว่าจิตคือมัคิดมันนึกมันส่งมันสายมันปรุงมันแต่งอันตัวหน้าเป็นตัวจิตบางคนน่ะไม่เห็นจิตตนเองเราใครว่าที่ไม่เห็นนั่นแหะแต่ผู้นั้นอธิผู้ที่ว่าไม่เห็นนั่นแหะก็มันเห็นนะผูไม่เห็นนั่นเรเรียกว่าเห็นจิตเถอะสิแต่มันเห็นอย่างเป็นงัวเป็นตัวหัวตัวควายไม่เห็นหรอก เราเห็นด้วยความรู้สึกกันีิข้อมีตนมีตัวจึงว่ามันลำบากมาพูดกันนไะม่ไม่ของที่มีตนมีตัวมันยากถ้าว่าไม่เห็นจิตตนเองลองดูสิเอคอนทักของพวกมือลองดูสิมันเจ็บอลยนะ น, นั่นแหะมันเจ็บปวดตรงนั้นเนี่ย ตรงนั้นนะ่ะไปจิตเลย น, นะทำให้คิดสงสัยปรุงแต่งนั้นนี่อะไรต่างเรื่องสรพัตว์ทุกอย่างตัวนั้นนะ่ะตัวตัวไปปรุงแต่งนะให้รู้ตัวตัวนั้นนะ่ะแล้วรู้แล้วมันจะคิดจะปรุงจะแต่งอะไรเราถามมาเถอะให้เห็นตัวท่น อยู่ตลอดเวลาอย่างไปปรุงแต่งทําสวนทำไงทาไงทํานาเนี่ยไปปรุงแต่งทําสวนนี่ลองดูดิมันคิดไปปรุงแต่งมันมันอยู่นในไปปรุงแต่งมันไปทําเอาตัวนั้นอะ่ะจับเอาตัวนั้นทมันไรเมื่อเราสติควบคุมตัวนั้นให้มันอยู่ในอํนนานาจของเรา เรียกว่าเราได้ตัวจิตแล้วนะถ้าควบคุมยังไม่อยู่ยเห็นแต่ยังมาทันได้ยังไม่ได้ตัวปล่อยให้มันอยู่ไปนะให้มันเป็นยางไงไปก่อ น, นวควบคุมไม่นตลอดเวลางานนักธมนานนักจะเห็นมันจะคุมได้คราวนี้ให้คิดกไดนไม่ให้คิดก็อยู่เฉย อ่าปลุงเยอแตงก็ได้ไม่ปรุงไม่แต่งก็อยู่เฉยๆอันนั้ น, นเรียกว่าเราคุมมันได้ความปรุงค ว, ความปรุงปรุงความแต่งอะนะเราควบคุมมันได้แล้วมันไม่ปรุงไม่แตงมันแต่งมามากมายแล้ว แต่งบ้านแต่งเรือนแต่งทุ่งแต่งนาแต่แต่งลวดแต่งสวน้ารกัทุกอย่างมันแต่งหมดในตัวงเราก็แต่งมดแต่งสนแต่งตัวแต่งผมแต่งเท้าแต่งหน้าแต่งสาแต่งขี้วแต่งช้างแต่งหมดแล้วของวันนี้แต่งหมดแล้วเราคราวนี้ไม่แต่งให้มันอยู่คุมมันอยู่อย่าไปหยุดในบังคับของมันเลย เราต้องให้มันอยู่ในวัคคับของเราอี่จะเรียกว่าใจของจึงเรียกว่าจิตของเราท่านท่ามันคุมเรามไม่จิตไม่ใช่จิตของเราแล้วค่ับครั้เมื่อเ้าคุมจิตอยู่อำ น, นาจของเราแนละ้วเป็นของเราแท้แล้วนะ ท่านคนที่จะล้มจะตายทียจ่จะไปเกิดสวรรค์จะไปเกิดทุกข์กติอะไรต่างๆถ้าเราคุมจิตตรงนั้นได้มันก็มันไม่ไปทางชั่วสิไม่เกิดทุกข์กติสิคุมมันอยู่มันคมุมเรามันก็ไม่จากจะไปไหนแล้วครับเกิดแน่นอนแนี่ นั่นเรียกว่าคุมคิดอยู่มันคุมคิดอยู่แล้วคราวนี้มันจะรวมเป็นเป็นให่คราวนี้เราไม่ต้องพูดก็แล้วมันรวมเป็นใจแล้วมันไม่คิดไม่เลือกม่ปลูกมาแต่งอนะไรแล้วเฉยเพียงแต่รู้วุตัวอยู่เฉยอันนั้นมันรวมเป็นบางครั้งบางคราวไม่เคยรวมอยู่เรื่อย การรวมไปนั้นมันเป็นประโยชน์อะไรมันไม่มีความรู้ความคิดอะไรมันไม่มีประโยชน์อะไรถูกอยู่คือเข้าถ้ามันเข้าถึงที่มาเสียจิตมันไม่ถึงมันเข้าถึงที่ไม่เข้าถึงที่สักทีียกบว่อนอย่างนั้นแนหะกรุงแต่งนั่นแนหะตรงสายไปตามเรื่องตามราวมันไม่เข้าถึงที่สักที อาคารนี้มันจะได้ เ, เกิดไห น, นก็ไม่รู้หลยครับ้ามันเข้าถึงที่นั้นอยู่เสมอสม อ, อันที่มันไม่คิดไปปกลุ้มาแจงไม่ความรู้สึกเราทำอย่างนี้ก็ได้คือทำทดสอบทดลองดูหลายอย่างหลา ย, ลายวิธีรั้นลมใะ้จะจพักหนึ่ง อยู่แล้วค่ะนี่ร้านลมมันไม่คิดในปรุงแต่งอะไรค่ะนี่เป็นใจและนั่นแหะตัวใจแทนนั่นเราถึงรู้สึกว่าใจแต่มันอยู่ไม่ได้นานชั่วอึดใจเท่า น, นั้นเนีมันก็ต้องปรุงแต่งกาะทำเรื่องเอานั้นในเห็นซะก่อนเห็นตัวจริงมาซะก่อนเมื่อ มันเข้าถึงใจมันเข้าถึงที่เดิมของใจเลยเป็นพักเป็นพักคุกอย่างนี้แล้วมันออกมามกิดรูดออกมามาปรุงมาแต่งเรียกว่าเป็นจิตแล้วเาอ๋อนี่เป็นจิตนั่นเป็นใจรู้อาคารรู้ทั้งสองอย่างแล้วจะเอาใจก็ได้จะเอาจิตก็ตได้คันสบาย ดอกเป็ดัว